1. มักคสังยุตอวิชชาวัคที่หนึ่งอวิชชาสูตรว่าด้วยอวิชชาและวิชชาเป็นหัวหน้าแห่งอกุศลและกุศลข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยูนะ่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภ า, าคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับคําดำหลักพระผู้มีาพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภ า, าคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาวิชชา เป็นหัวหน้าในการยังอกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเกิดร่วมกับความไม่ละอายบาปความไม่สะดุ้งกลัวบาปความเห็นผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ไม่รู้แจ้งประกอบด้วยอวิชชาความดำริผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นผิดเจรจาผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริ การงานผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาผิดการเลี้ยงชีพผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานผิดพยายามผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพผิดระลึกผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามผิดตั้งใจผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกผิด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนวิชาเป็นหัวหน้าในการยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเกิดร่วมกับความละอายบาปความสะดุ้งกลัวบาปความเห็นชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้รู้แจ้งประกอบด้วยวิชาความดํมริชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นชอบ เจรจาชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดัมริชอบการงานชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาชอบการเลี ah ้ยงชีพชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานชอบพยายามชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพชอบระลึกชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามชอบ ตั้งใจชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกชอบแลจบสูตรที่หนึ่งอุปัฏฐูตรความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งสิน้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะนิคมของชาวสักยะชื่อสักระ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 สหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นกึ่งหนึ่งแห่งพรหมจรรย์เที่ยวนะพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคกัดว่าดูก่อนอานน์เธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นก็ความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียว ดูก่อนอานนท์อันภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจัะเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8จะกกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ดูกร อ, อานนท์ก็ภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดี ย่อมเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ดย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดอย่างไรเล่าดูก่อนอา น, นุนภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูก อ, อานนุนภิสุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดี มีเพื่อนดีย่อมเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดอย่างนี้แลดูก่อนอนลข้อว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรร์ทั้งสิ้นทีเดียวนั้นครึงทราบโดยปริยายแม้นี้ ด้วยเหตุเหล่าสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดาย่อมพ้นไปจากชาติผู้มีชาาเป็นธรรมดาย่อมพ้นไปจากชราผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นไปจากมรณะผู้มีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะเป็นธรรมดาย่อมพ้นไปจากโสกะ ปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะเพราะอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรดูก่อนอานนุนข้อว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียวนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้แลจบสูตรที่สอง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 ข้าแต่พระองค์พูดเจริญความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นเที่ยวนะพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละถูกละสารีบุตรความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้น ดูก่อนสารีบุตรภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8จักกระทําให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์8ดูก่อนสารีบุตรก็ภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดี มีเพื่อนดีย่อมเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์แย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่าดูก่อนสารีบุตรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอันอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูก่อนสารีบุตรภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดย่อมกระทำให้มาก ซึ่งอริยะมรรคประกอบด้วยองค์แปดอย่างนี้แหลดูก่อนสารีบุตรข้อว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นนั้นพึงทราบโดยปริยายแม่นี้ด้วยว่าเราสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดาย่อมพ้นไปจากชาติ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 เพราะอาศัยเราผู้เป็นกัลยาณมิตรดูก่อนสารีบุตรข้อว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้แหละจบสูตรที่สามพรามณสูตรอริยมร์เรียกชื่อได้สามอย่าง สาวัถีนิทานครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระอาณนนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังพระนครสาวัถีได้เห็นชานุสะโสนีพราหม์ออกจากพระนครสาวัถีด้วยรถเทียมด้วยม้าขาวล้วนได้ยินว่าม้าที่เทียมเป็นม้าขาว เครื่องประดับขาวตัวรถขาวประทุนรถขาวเชือกขาวด้ามประตักขาวล่มขาวผ้าโพกขาวผ้านุ่งขาวรองเท้าขาวพัดวาลวิชนีที่ด้ามพัดก็ขาวชนเห็นท่านผู้นี้แล้วพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายยานประเสริฐหนอ รูปของยานประเสริฐหนอดังนี้ครั้งนั้นท่านพระอานน์เที่ยวบินทบาตในพระนครสาวัตถีแล้วเวลาปัจฉาพัดกลับจากบินทบาตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีาพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวะโรกาสเวลาเช้าข้าพระองค์นุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างพระนครสาวัตถีข้าพระองค์เห็นชานุสะโสนีพราหม์ออกจากพระนครสาวัตถีด้วยรถม้าขาวร้วนได้ยินว่า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 ยานประเสริฐหนอรูปของยานประเสริฐหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์อาจทรงบัญญัติยานอันประเสริฐในธรรมวินัยนี้ได้ไหมหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอา น, นุนอาจบัญญัติได้คําว่ายานอันประเสริฐเป็นชื่อของอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดนี้เอง เรียกกันว่าพรหมญาณบ้างธรรมญาณบ้างรสพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบ้างดูก่อนอานุนสัมมาทิฐิที่บุคคลจเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วมีการกำจัดราคะเป็นที่สุดมีการกำจัดโทสะเป็นที่สุดมีการกำจัดโมหะเป็นที่สุด ดูก่อนอานุนสัมมาสังกปปะที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วมีการกาจัดราคะเป็นที่สุดมีการกาจัดโทสะเป็นที่สุดมีการกาจัดโมหะเป็นที่สุดดูก่อนอานุนสัมมาวาจาที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว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 เรียกกันว่าพรหมมายานบ้างธรรมยานบ้า ง, ร, าางรถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบ้างนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุค ต, ตศาสนาครั้นได้ตรัสไวยากรณ์พาสิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า อริยมรรยานนั้นมีธรรมคือศรัทธากับปัญญาเป็นเอกมีศรัทธาเป็นทูปมีหิหริเป็นงอนมีใจเป็นเชือกชักมีสติเป็นสารถีผู้ควบคุมรถนี้มีศีลเป็นเครื่องประดับมียานเป็นเปล่ามีความเพียรเป็นล้อ มีอุเบกขากับสมาธิเป็นทูกความไม่อยากได้เป็นประทุนกุลบุตรใดมีความไม่พยาบาทความไม่เบียดเบียนและวิเวกเป็นอาวุธมีความอดทนเป็นเกราะหนังกุลบุตรนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะพรหมยานอันยอดเยี่ยมนี้ เกิดแล้วในตนของบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นนักปราชย่อมออกไปจากโลกโดยความแน่ใจว่ามีชัยชนะโดยแท้จบสูตรที่สกิมัตติยะสูตรประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกำหนดรู้ทุกสาวถินิทานครั้งนั้นแล ภิกษุมากรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคลั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสพวกอัญญะเดียรถีปริภาชกถามพวกข้าพระองค์อย่างมีว่า ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นในพระสมณะโคดมเพื่อประโยชน์อะไรพวกข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรแก่พวกอัญญะเดียรถีปริพาโชคเหล่านั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกาหนดรู้ทุกพวกข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วพยากรอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตามคำพระดารัสที่พระผู้มีพระภาคตัดไว้แล้วไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำไม่จริงพยากรธรรมสมควรแก่ธรรมทั้งทั้งการคล้อยตาม วาทะที่ถูกไรๆจะไม่พึงถึงฐานะอันวินยูชนพึงติเตียนได้ละหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายช่างเถิดพวกเธอถูกถามอย่างนั้นแล้วพยากรณ์อย่างนั้นชื่อว่ากล่าวตามคำที่เรากล่าวไว้แล้วไม่กล่าวตูเราด้วยคำไม่จริง พยากรณร์รมสมควรแก่ธรรมทั้งการคล้อยตามวาทะที่ถูกไกลไรจะไม่ถึงฐานะอันมินยูชนพึงติเตียนได้เพราะพวกเธออยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพื่อกำหนดรู้ทุกดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญะเดียรัตถีปริภาชก พึงถามพวกเธออย่างนี้ว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายก็หนทางมีอยู่หรือปฏิ ป, ปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกนั้นมีอยู่หรือพวกเธอถูกถามอย่างนี้แล้วพึงพยากรณ์แก่พวกอัญญาเดรัถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายหนทางมีอยู่ ปฏิปทาเพื่อกาหนดรู้ทุกขนั้นมีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็หนทางเป็นไนปฏิปทาเพื่อกาหนดรู้ทุกเป็นไนอริยมรรคประกอบด้วยองค์8นี้แหลคือสัมมาทิฏฐิไปถึงสัมมาสมาธินี้เป็นหนทางนี้เป็นปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกขนั้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอถูกถามอย่างนั้นแล้วพึงพยากรแก่พวกอัญญะเดียรถัถีปริภาชคเหล่านั้นอย่างนี้จบสูตรที่หภพิกขุสูตรที่หนึ่งว่าด้วยพรหมจันท ร, ร์และที่สุดพรหมจรรันทร์สาวัตถีนิทานครั้งนั้นแหละ ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกกันว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์ดังนี้ก็พรหมจรรย์เป็นฉไหนที่สุดแห่งพรหมจรรย์เป็นฉไหน พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุอริยมรรคประกอบด้วยองค์8คือสัมมาทิฏฐิไปถึงสัมมาสมาธินี้แหลเป็นพรหมจรรย์ความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี้เป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์จบสูตรที่หกภิกขุสูตรที่สอง ความกำจัดราคะเป็นชื่อนิพพานธาตุสาวัถินิฐานครั้งนั้นแหลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่า ความกำจัดราคะความกำจัดโทสะความกำจัดโมหะดังนี้คำว่าความกำจัดราคะความกำจัดโทสะความกำจัดโมหะนี้เป็นชื่อแห่งอะไรหนอพระผู้มีพระภาคตอบว่าดูก่อนภิกษุคำว่าความกำจัดราคะ ความกำจัดโทสะความกำจัดโมหะนี้เป็นชื่อแห่งนิพพานธาตุเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะความสิ้นราคะชื่อว่าอามตะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรียกว่าอมตะอมตะดังนี้อมตะเป็นไฉนทางที่จะให้ถึงอมตะเป็นไฉนดูก่อนภิกษุความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี้เรียกว่าอมตะอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดคือ สัมมาทิฏฐิไปถึงสัมมาสมาธินี้แหละเรียกว่าทางที่จะให้ถึงอมตะจบสูตรที่7วิพังคะสูตรอริยมรรคแสาวัตถีนิทานพระผู้มีพระภาคตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดง จักจำแนกอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอริยมรรคนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุพวกนั้นทูลรับคำดาลัดของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แปดเป็นไนคือสัมมาทิฏฐิไปถึงสัมมาส ม, มาธิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสติทิเป็นไนความรู้ในทุกขในทุกขสมุทยัยในทุกขะนิโรธในทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทานี้เรียกว่า สัมมาทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสังกัปปะเป็นไนความดําริในการออกจากกามความดําริในอันไม่พยาบาทความดําริในอันไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาวาจาเป็นไน เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพอ้อเจอ้อนี้เรียกว่าสัมมาวาจาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมากรรมมันตะเป็นไฉนะเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากปานาติบาตอธินนาทานจากอ ร, รัมจัน นี้เรียกว่าสัมมากรรมมันตะดูกนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาอาชีวะเป็นไนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละการหาเลี้ยงชีพที่ผิดเสียสำเร็จชีวิตอยู่ด้วยการเลี้ยงชีพที่ชอบนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาวายามะเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะให้เกิดพยายามปรารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อมิให้อกุศลธรรมอัลามกที่ยังไม่บังเกิดขึ้น เพื่อละอกุศลธรรมอัลลามกที่บังเกิดขึ้นแล้วเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่บังเกิดขึ้นพยายามปารบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนเพิ่มพูนภัยบูนเจริญบริบู์ แห่งกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าสัมมาวายามะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสติเป็นไนะภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่เนืองเนืองมีความเพียรมีสัมปัช ญ, ญะมีสติพึงกำจัด อภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองเนืองอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองเนืองอยู่มีความเพียร มีสัมปัชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมานต์ในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยู่มีความเพียรมีสัมปัชัญญะมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนั์ในโลกเสียนี้เรียกว่าสัมมาสติ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมมาสมาธิเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกามทั้งหลายสงัดแล้วจากอากุศลธรรมบรรลุปฐมมชานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เธอบรรลุ พุทิยะฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์เพราะวิตกวิจารณสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เธอมีอุเบคามีสติมีสัพปัชญญะ เสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยะฌานที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอบรุจะตุทะฌ า, านไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุข ละทุกและดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธิจบสูตรที่8สุภาสูตรมัคภาวนาที่ตั้งไว้ผิดและตั้งไว้ถูกสาวถินิทาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวยาวะที่บุคคลตั้งไว้ผิดมือหรือเท้าย่ำเหยียบแล้วจักทำลายมือหรือเท้าหรือว่าจักให้ห่อเลือดข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเดือยบุคคลตั้งไว้ผิด ชั้นใดก็ดีภิกษุนั้นแลก็ชั้นนั้นเหมือนกันจากทําลายอาวิชชาจากยังวิชชาให้เกิดจากทํานิพพานให้แจ้งด้วยความเห็นที่ตั้งไว้ผิดด้วยการเจริญมักที่ตั้งไว้ผิดข้อนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความเห็นตั้งไว้ผิด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวยะวะที่บุคคลตั้งไว้ถูกมือหรือเท้าย่ำเหยียบแล้วจับทาลายมือหรือเท้าหรือว่าจับให้ห่อเลือดข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไหไรเพราะเดือยบุคคลตั้งไว้ถูก ชั้นใดก็ดีภิกษุนั้นแลก็ชั้นนั้นเหมือนกันจักทำลายอวิชชาจักยังวิชชาให้เกิดจักทำนิพพานให้แจ้งด้วยความเห็นที่ตั้งไว้ถูกด้วยการเจริญมรรคที่ตั้งไว้ถูกข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความเห็นตั้งไว้ถูก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุจักทำลายอวิชชาจักยังวิชชาให้เกิดจักทำนิพพานให้แจ้งด้วยความเห็นที่ตั้งไว้ถูกด้วยการเจริญมักที่ตั้งไว้ถูกอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยเวราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุจักทาลายอวิชชาจักยังวิชชาให้เกิดจักทานิพพานให้แจ้ง ด้วยความเห็นที่ตั้งไว้ถูกด้วยการเจริญมรรคที่ตั้งไว้ถูกอย่างนี้แหละจบสูตรที่9านันทิยะสูตรทำแปประการเป็นเหตุให้ถึงนิพพานสาวถินิทานครั้งนั้นแหละนันทิยะปริภาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญทำเท่าไรนอแลที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นเหตุให้ถึงนิพพาน มีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนนันทิยะทำแปดประการนี้ที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นเหตุให้ถึงนิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดทำแปดประการเป็นไฉนะ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 ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคโดมภาสิทธ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคโดมภาสิทธ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่ท่านพระโคโดมท่านพระโคโดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ําเปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักสุจักเห็นรูปฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ ว่าเป็นอุบาสกถึงสารณะจนตลอดชีวิตจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปจบสูตรที่10จบอวิชชาวรรวมพระสูตรที่มีในวรนี้คือ 1. อวิชชาสูตร 2. อุปัฏฐสูตร 3. สาริปตสูตรสพรหมนัสูตรห กิมัตติยะสูตรหกพิกขุสูตรที่หนึ่งเจ็ดพิกขุสูตรที่สองแปดวิพังคะสูตรเก้าสุพะสูตรสิบนันทิยะสูตร